นาเทวดาทั้งหลายนั่งคอยพระเจ้าในมิราชเสด็จมาเทวดาเหล่านั้นได้ฟังว่าพระเจ้าในมิราชเสด็จมาแล้วทางก็ถือของหอมทูบเครื่องอบและดอกไม้ทิพย์ไปคอยอยู่ที่ทางจ ะ, สะเสด็จมาตั้งแต่ซุ้มประตูจิตตกูดบูชาพระมหาสัตว์ด้วยของหอมและบุพชาติเป็นต้นนำสเสด็จสู่เทวสภาชื่อสุธรรมา พระเจ้าเนมิราชเสด็จลงจากรถเข้าสู่เทวสภาเทวดาทั้งหลายในที่นั้นเชิญเสด็จให้ประทับนั่งบนทิพยอาาธเท้าสักกะเทวราชเชิญเสด็จให้ประทับนั่งบนทิพยอพยาาและเสวยทิพยการมาสุขพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าเทวดาทั้งหลายเห็นพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาถึง ก็พากันยินดีต้อนรับว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วอันหนึ่งพระองค์มิได้เสด็จมาร้ายข้าแต่พระราชาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญประทับนั่งในที่ใกล้ท้าสักกะเทวราชณบัดนี้เถิดท้าวสักกะเทวราชทรงยินดีต้อนรับพระองค์ผู้เป็นพระราชาแห่งชาววิเทหรา์ ผู้ทรงสงเคราะห์ชาวกรุงมิถิลาท้าวาวศสะเทวราชทรงเชื้อเชิญให้เสวยทิพยกา ม, มารมและประทับบนทิพยาอาจเป็นความยินดีแล้วที่พระองค์เสด็จมาถึงทิพยะสถานอันเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายผู้ยังสิ่งที่ตนประสงค์ให้เป็นไปได้ตามอำนาจขอเชิญประทับอยู่ในหมู่เทวดา ผู้สำเร็จด้วยทิพยาการมทั้งมวลขอเชิญสเสวยทิพยากรร ม, มารม์ในหมู่เท พ, พเจ้าชาวดาวดึงเถิดบรรดาคําเหล่านั้นคําว่ายินดีต้อนรับปฏินันทิงสุความว่าร่วมกันประพฤติเป็นที่รักคือต่างยินดีร่าเริงต้อนรับคําว่าสําเร็จด้วยทิพยากรมทั้งมวลสัพพกามะสมิธิสุ ได้แก่ผู้ประกอบด้วยความสำเร็จที่พยากามารมทั้งปวงเท้าสักกะเทวราชเชิญเสด็จพระมหาสัตว์ให้เสวยที่พยากามารมและให้ประทับบนที่พยาอาจอย่างนี้พระเจ้าเนมิราชทรงสดับดังนั้นเมื่อจะดำรัสห้ามจึงตรัสว่าจิงใดที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้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 และไม่เดือดร้อนในภายหลังบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสิ่งใดที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้ยังประโตธานปัจยาความว่าสิ่งใดที่ได้มาเพราะการให้จากผู้อื่นคือของผู้อื่นนั้นเป็นปัจจัยคือเพราะผู้อื่นนั้นให้สิ่งนั้นย่อมเป็นเช่นกับของที่ขอยืมเขามาฉะนั้นหม่อมฉันจึงไม่ปราถนาสิ่งนั้น คำว่าม่อมฉันทําเองสะยังกะตานิความว่าก็บุญทั้งหลายเหล่าใดที่ม่อมฉันกระทําไว้ด้วยตนการกระทําบุญเหล่านั้นของม่อมฉันนั่นแหละไม่สาธารณะแก่คนเหล่าอื่นคําว่าทรัพย์ที่จะติดตามอาเวนิยังทะนังได้แก่ซัพย์ที่ติดตามตนไปได้คําว่า ด้วยการประพฤติสม่ำเสมอสมะจะริยายะได้แก่ด้วยความประพฤติสม่ำเสมอทางไตรทวารคำว่าด้วยความสํารวมสัญญเมนะได้แก่ด้วยการรักษาศีลคำว่าด้วยการฝึกทัพเมนะได้แก่ด้วยการฝึกอินทรีย์พระมหาสัตว์ทรงสแสดงธรรมด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะ แกเทวดาทั้งหลายอย่างนี้เมื่อทรงแสดงประทับอยู่เจ็วันโดยการนับในมนุษย์ยังหมู่เทพเจ้าให้ยินดีประทับอยู่ท่ามกลางหมู่เทวดานั่นเองเมื่อจะทรงพรนนาคุณแห่งมาตาลีเทพสารถีจึงตรัสว่ามาตาลีเทพสารถีผู้เจริญเป็นผู้มีอุปการะมากแก่หม่อมฉันได้แสดงสถานที่อยู่ของผู้มีธรรมอันงาม และผู้มีกรรมอัลลามกแก่หม่อมชันบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าได้แสดงสถานที่อยู่ของผู้มีกรรมอันงามและผู้มีกรรมอัลลามกแก่หม่อมชันโยเมกลยาณนะกรัรมมานังปาปานังปฏิทัศยิความว่ามาตลีเทพสารทีนี้ได้แสดงสถานที่เป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายผู้มีกรรมอันงาม และสถานที่ของสัตว์นรกทั้งหลายผู้มีกรรมอลามกแก่หม่อมชั้นลำดับนั้นพระเจ้าเนมิราชเชิญท้าวสักกะเทวราชมาตรัสว่าข้าแต่มหาราชหม่อมชันปรารถนาเพื่อกลับไปมนุษยโลกท้าวสักกะเทวราชจึงมีเทวองการสั่งมาตลีเทพสารถีว่าท่านจงนําพระเจ้าเนมิราชสเสด็จกลับไปในกรุงมิถิลานั้นอีก มาตลีเทพสารถีรับเทวบัญชาแล้วได้จัดเทียมรถไว้พระเจ้าเนมิราชทรงบันเทิงกับหมู่เทวดาแล้วยังเหล่าเทวดาให้กลับตรัสอำลาแล้วเสด็จขึ้นรถมาตลีเทพสารถีขับรถไปถึงกรุงมิทิลาทางทิศปราจีนมหาชนเห็นทิพยรถก็มีจิตบันเทิงว่าพระราชาของพวกเราเสด็จกลับแล้ว มาตลีเทพสารถีทําประทักษิณกรุงมิถิลายังพระมหาสัตย์ให้เสด็จลงที่สีหบัญชอนนั้นแล้วทูลลากลับไปยังที่อยู่ของตนทีเดียวปายมหาชนก็แวดล้อมพระราชาทูลถามว่าเทวโลกเป็นเช่นไรพระเจ้าค่าพระเจ้าเนมิราชทรงเล่าถึงสมบัติของเหล่าเทวดาและของท้าวสักกะเทวราชแล้วตรัสว่า แม้ท่านทั้งหลายก็จงทาบุญมีทานเป็นต้นก็จักบังเกิดในเทวโลกนั้นเหมือนกันแล้วทรงแสดงธรรมแก่มหาชนครั้นการต่อมาพระมหาสัตว์ในมิราชนั้นเมื่อภูษามาลากราบทูลความที่พระเกศงอกเกิดขึ้นจึงทรงให้ถอนพระศกงอกด้วยพระแหนบทองคำวางในพระหัตถ์ท้าพระเนตรเห็นพระศกงอกนั้นแล้วสลดพระหฤุไทย พระราชทานบ้านสวยแก่ผู้สามาลามีพระราชประสงค์จะทรงผนวดจึงมอบพระราชสมบัติแก่พระราชโอรสเมื่อพระราชโอรสทูลถามว่าพระองค์จักทรงผนวดเพราะเหตุไรเมื่อจะตรัสบอกเหตุแก่พระราชโอรสจึงตรัสคาถาว่าผมงอกที่งอกขึ้นบนเศียรของพ่อนี้นำความหนุ่มไปเสียเป็นเทวทูตปรากฏแล้ว คราวนี้จึงเป็นคราวที่พ่อจะบวชพระเจ้าเนมิราตรัสคาถาแล้วเป็นเหมือนพระราชาองค์ก่อนๆทรงผนวดแล้วประทับอยู่ณอัมพวันนั้นนั่นเองเจริญพรหมวิหารสี่มีฌานไม่เสื่อมได้เป็นผู้บังเกิดในพรหมโลกพระศาสดาเมื่อจะทรงทาให้แจ้งซึ่งความที่พระเจ้าเนมิราชนั้นทรงผนวดแล้วจึงตรัสคาถาสุดท้ายว่า พระเจ้าเนมิราชราชาแห่งแควนวิเทหะผู้ทรงอนุเคราะห์ชาวมิทิลาตรัสคาถานนี้แล้วทรงบูชายันเป็นอันมากทรงเข้าถึงความเป็นผู้สํารวมแล้วบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าตรัสคาถานี้แล้วอิทังวัตวาความว่าตรัสคาถานี้ว่าผมหงอกที่งอกขึ้นบนเสียนพ่ออุตตมังคารุหา ไม่หังดังนี้เป็นต้นคำว่าทรงบูชายันเป็นอันมากปุถุยันยังยชิตตวานะได้แก่ถวายทานเป็นอันมากคำว่าทรงเข้าถึงความเป็นผู้สารวมแล้วสัญญะมังอัจุปาคมิความว่าทรงเข้าถึงความสารวมในศีลป่ายพระราชโอรสของพระเจ้าในมิราชนั้น มีพระนามว่ากาลารัชกะตัดวงนั้นคือเมื่อถึงคราวพระสกงอกและทราบแล้วหาทรงผนวดไม่พระศาสดาเมื่อทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัตนี้เท่านั้นที่ตถาคตออกมาหาพิเนศกรมแมในการก่อนตถาคตก็ออกมาหาพิเนศกรมเหมือนกัน ตรัชนั้นแล้วทรงประกาศจตุราริยศัตว์ประชุมชาดกท้าวสักกะเทวราชในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุชื่ออนุรุทธะในการนี้มาตาลีเทพสารถีในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุชื่ออาน o ์นในการบัดนี้กษัตริย์ดหมื่พันองค์ในครั้งนั้นได้เป็นพุทธบริษัทในการบัดนี้ในมิราชในครั้งนั้น ก็คือเราผู้สัมมาสัมพุท ธ, ธนี้เองแลในมิราชชาดกจบ